ทมอันไม่บริสุทธิ์ที่คนมีมนทินคิดกันปรากฏอยู่ในแคว้นมคตนานมาแล้วขอพระองค์จงเปิดประตูเพื่อให้บุคคลเดินเข้าไปสู่แดนอมตะเถิดคนทั้งหลายต้องการฟังธรรมซึ่งพระองค์ผู้ปราศจากมนทินได้ตรัสรู้แล้วขอพระองค์ผู้ไม่มีโกมีปัญญาดีจงเสด็จขึ้นสู่ปราสาทซึ่งสำเร็จด้วยธรรม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 อินทรีย์อ่อนก็มีมีอาการดีบ้างอาการชั่วบ้างให้รู้ได้โดยง่ายบ้างให้รู้ได้โดยยากบ้างเหมือนดอกบัวสามเหล่าในสระน้ำพระองค์จึงทรงปรารภกับพระองค์เองด้วยความกรุณาในหมู่สัตว์ว่าเราได้เปิดประตูอมะตะธรรมแล้วผู้อยากฟังจงเงีย่ยโสดลงเถิดทีแรกเราคิดว่าจะลำบากเปล่า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 เมื่อท่านไม่สามารถตัดสินตกลงใจได้ด้วยตนเองจึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภ า, าคทูล ถ, ถึงข้อสงสัยนั้นพระผู้มีาพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์กลิ่นดอกไม้กลิ่นจันไม่สามารถหอมหวนทวนลมได้แต่กลิ่นแห่งเกียรติคุณความดีงามของสัตรบุรุษนั้นแหลสามารถจะหอมไปได้ทั้งตามลมและทวนลม คนดีย่อมมีเกียรติคุณฟุ้งขจรไปได้ทั่วทิศกลิ่นจันแดงกลิ่นอุบลกลิ่นดอกมะลิจักว่าเป็นดอกไม้กลิ่นหอมแต่ยังสู้กลิ่นศีลไม่ได้กลิ่นศีลยอดเยี่ยมกว่ากลิ่นทั้งมวลอา non นศนีล น, นี้มีความไม่ต้องเดือดร้อนใจเป็นผลเป็นอนิสงส์อานนเราเคยกล่าวกับภิกษุทั้งหลายไว้ว่า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 ซึ่งใครๆไม่อาจกล่าวพรรณนาอานิสงฆ์ให้หมดสิ้นได้แม่น้ำใหญ่และน้ำใดๆก็ตามไม่อาจชำระมลถินของสัตว์ในโลกนี้ได้แต่บุคคลสามารถชำระมลถินของตนได้ด้วยน้ำคือศีลอะไรเล่าจะสามารถระงับความเ้่าร้อนภายในของสัตว์ในโลกนี้ลมหรือฝนหรือจันแดงหรือแสงจัน์อันยองใหญ่หรือ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 เสมอด้วยบันไดคือศีลเป็นไม่มีพระราชาผู้ประดับด้วยมุกดามณียังไม่สง่างามเหมือนนักรตผู้ประดับด้วยอภร์คือศีลศีล น, นี้คอยกําจัดภัยคือการติเตียนตนเองออกเสียแล้วก่อให้เกิดความเ อ, อิบอิ่มร่าเริงประหารโทษต่างๆเป็นต้นเขาแห่งคุณความดีต่างชนิดภิกษุผู้มีศีลบริสุทธ หมดมนทินจะทรงบาทจีวรก็ดูน่าเรื่อมใสการบรรพชาของพิสุเช่นนั้นเป็นสิ่งมีผลผู้มีศีลบริสุทธิ์ย่อมมีใจผ่องแผ้วเพราะมองไม่เห็นโทษแห่งการทุศีลเหมือนพระอาทิตย์กำจัดความมืดฉะนั้นภิสุผู้สง่างามอยู่ในป่าคือตบะเพราะสมบูรณ์ด้วยศีลเหมือนพระจันทร์สว่างอยู่กลางฟ้ามีรัศมีโท ช, ช่วง เพียงแต่กลิ่นกายของพิสุผู้มีศียังทาความปราโมทแก่ทวยเทพทั้งหลายจะกล่าวใหญ่ถึงกลิ่นแห่งศีลเล่าสักการะแม้น้อยแต่ทายกทำแล้วในท่านผู้มีศีลย่อมอานวยผลไพศาลเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นเหมือนภาชนะสำหรับรองรับสักการะของทายกจิตของผู้มีศีลย่อมแล่นไปสู่พระนิพพานอันเยือกเย็นเต็มที่ มนุษย์ผู้หลงไหลยอยู่ในโลกียรม์พงมต่อความบันเทิงสุขอันสืบเนื่องมาจากความมึนเมาในทรัพสมบัติชาติระกูลความหรูหราฟุ่มเฟือยยศศักดิ์และเกียรติอันจอมปลอมในสังคมที่อยู่อาศัยอันสวยงามอาหารและเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ต้องใจอำนาจและความทะ น, นงตนทั้งหมดนี้ทำให้บุคคลมีในตาฝ้าฟาง มองไม่เห็นความงามแห่งพระสักธรรมความเมาในอำนาจเป็นแรงผลักดันที่มีพลังมากพอให้คนทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มีอำนาจยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นพร้อมๆกันนั้นมันทาให้เขาลืมทุกสิ่งทุกอย่างไม่แยแสต่อเสียงเรียกร้องของศีลธรรมหรือมโนธรรมใดๆมันค่อยๆระบายจิตใจของเขาให้ดํามืดไปทีละน้อยทีละน้อย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 ย่อมไม่อาจมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ก็พระอา น, น์นี้เองเป็นผู้อำนวยความสุขความสะดวกแก่ภิกษุในพุทธ ทันมาณสมัยคือการเมื่อพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่มาจนกระทั่งบัดนี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับจีวรกล่าวคือเครื่องนึ่งห่มของสมณะเดิมทีเดียวพระตถาคตเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุสาวกมีผ้าได้เพียงสามผืนเท่านั้นคือจีวรสบงและสังคาติผ้าสองชั้นสำหรับห่มหนาว ยางละผืนยางละผืนจะมีมากกว่านี้ไม่ได้ถ้าจะมีผืนใหม่ต้องสละผืนเก่าไปทำอย่างอื่นเช่นเป็นผ้าปูลาดเตียงหรือทาเพดานทั้งนี้เพื่อให้ภิกษุสาวกไม่สะสมจีวรไว้เกินจำเป็นและเป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งผู้มักน้อยสันโดษอยู่อย่างเบาสบายประพฤติตนดุจสกุณามีบาทและจีวรเป็นเสมือนปีกทั้งสอง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 แต่พระผู้มีพระภาคทรงเป็นกรณวสิกบุคคลผู้กระทําทุกๆอย่างตามสมควรแก่เหตุผลและความจำเป็นจึงทรงพรผันสิกขาบทบัญญัติอยู่เสมอคราวหนึ่งพระอานนท์ได้จีวรพิเศษมาที่เรียกว่าอติเรกจีวรหมายถึงจีวรที่นอกเหนือจากผ้าสมผืนดังกล่าวแล้วเนื่องจาก ท่านมีความเคารพเลื่อมใสและรักในพระสารีบุตรมากจึงประสงค์จะถวายจีวร น, นั้นแก่พระสารีบุตรแต่เวลานั้นพระสารีบุตรไม่ได้อยู่ณที่นั้นจะเก็บจีวรไว้ได้อย่างไรเพราะมีบทบัญญัติห้ามเก็บอติเรกจีวรไว้พระอนนุ์จึงเข้าเฝ้าพระพุทธองค์กราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบอา น, นุ์พระาศาสดาตรัสเวลานี้ สารีบุตรอยู่ที่ไหนอยู่ที่เมืองสาเกตพระเจ้าข่าพระอนนทูลประมาณกี่วันสารีบุตรจึงจะมาถึงนี่ประมาณสิบวันพระเจ้าข่าถ้าอย่างนั้นเธอจงเก็บไว้เถิดรอคอยสารีบุตรพระาศาสดาตรัสแลแล้วพระพุทธองค์รับสั่งให้ประชุมสงฆ์สงพรผันพุทธบัญญัติด้วยพุทธพจน์ว่า ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุเก็บอติเรกจีวรไว้ได้อย่างมากเพียงสิบวันถ้าเกินกว่านั้นจีวรนั้นภิกษุต้องสละเสียมิฉะนั้นเธอจะต้องอาบัตปาจิตตีเพราะถ้าไม่สละของย่อมไม่สามารถปลดเปลื้องอาบัตได้พระสารีบุตรมาทันตามกําหนดก่อนจะล่วงสิบวันเป็นอันว่าพระอานนท์ ได้ถวายจีวรแก่พระอัครสาวกเบื้องขวาได้สมประสงค์กระทั่งปัจจุบันนี้พระสงฆ์สาวกของพระาศาสดาก็ยังปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติเรื่องนี้อยู่เมื่อท่านได้จีวรพิเศษมาถ้าล่วงสิบวันแล้วท่านก็สละให้ภิกษุอื่นไปหรือให้สัมมเนนก็ได้และต้องแสดงอบัตด้วยที่เผลอเก็บจีวรพิเศษไว้เกิน10บวัน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 ขพเจ้าขอสละจีวรผืนนี้แด่ท่านเสร็จแล้วตามมญญาตภิกษุผู้รับก็จะถวายคืนโดยกล่าวว่าจีวรผืนนี้เป็นของขพเจ้าแล้วแต่ขพเจ้าขอถวายแก่ท่านท่านจะใช้สอยหรือจะให้ใครหรือจะทำอย่างไรก็แล้วแต่ท่านจะเห็นสมควรเสร็จแล้วมอบจีวรคืนแก่ภิกษุรูปที่เป็นเจ้าของเดิม คราวนี้ถึงเวลาที่ภิกษุเจ้าของจีวรจะแสดงอบัตท่านจะนั่งประนมมือคุกเข่าอยู่ท่าเดิมกล่าวว่าข้าพเจ้าต้องอบัตเกี่ยวกับของที่ต้องสละหรือนิสักียะข้าพเจ้าขอแสดงอบัตเรื่องนี้คือยอมรับสารภาพผิดภิกษุอีกรูปหนึ่งจะถามว่าท่านเห็นหรือภิกษุผู้แสดงอบัตตอบว่าเห็น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 คนนำออกมาแสดงให้ภิกษุรูปหนึ่งรับทราบและบอกว่าข้าพเจ้ายินดีเสียสละจีวรและผ้าเหล่านี้ให้ภิกษุอื่นได้ใช้ตามทางวิชาการเรียกว่าวิกัปหมายความว่าทำให้เป็นของสองเจ้าของวิชัยเป็นสิทธิของท่านแต่เพียงผู้เดียวภิกษุรูปอื่นจะรับทราบและมอบให้เจ้าของเดิมเก็บไว้ใช้ได้ตลอดไป เป็นวิธีการที่งดงามมากไม่มีอะไรน่าตำหนิเลยพระพุทธอนุชาได้ทิ้งมรดกเรื่องนี้ไว้ให้ภิกษุทั้งหลายในการต่อมา ได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลช่วยให้สะดวกสบายขึ้นมากทีเดียวควรที่ปชิมาชนะตาชนจะพึงละลึกถึงปุปพพูปการข้อนี้ของพระอา น, นุ์มหาเถระแม้คลืหัดก็ควรน้อมละลึกถึงพระคุณข้อนี้ของพุทธอนุชาที่ท่านได้เปิดประตูไว้สำหรับผู้มีศรัทธาได้ทำบุญด้วยจีวรตามปรารถนาตราบเท่าทุกวันนี้ การที่พระตถาคตเจ้าทรงพระพุทธานุญาตเรื่องนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพระมหากรุณาและอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะความดีงามของพระอ น, นุลที่กระทาทุกอย่างเพื่อพระองค์และเพื่อความอยู่ยั่งยืนแห่งพระศาสนาคุณธรรมของผู้น้อยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการโน้มน้าวจิตใจของผู้ใหญ่ให้โอนออนผ่อนตามสมแล้วที่มีคากล่าวว่า เอาชนะผู้สูงศักดิ์ด้วยความอ่อนน้อมเอาชนะผู้ต่ำต้อยด้วยการสงเคราะห์เอื้อเฟือ้อเอาชนะศัตรูด้วยการยุให้แต่ความสมเคียเอาชนะสตรีด้วยการหวานล้อมถ้อยคำหวานให้เกิดความสงสารและเห็นใจพร้อมด้วยคำมั่นสัญญาที่ชวนฟังจริงทีเดียวความรักของสตรีมักจะเข้าทางหู ส่วนความรักของบุรุษมักจะเข้าทางตาด้วยเหตุนี้สตรีที่รูปงามจึงได้เปรียบอยู่มากในด้านการเรียกร้องความสนใจจากบุรุษเพศคำกล่าวที่ว่านกโกลิกามีเสียงเป็นสำคัญนารีมีรูปเป็นสำคัญวิชาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบุรุษและนักพรตมีความอดทนเป็นสำคัญนั้น ยังเป็นความจริงที่ค้านได้โดยยากอยู่ด้วยเหตุนี้กระมังสติทั้งหลายจึงทุ่มเททั้งกำลังทรัพย์และกำลังกาย กำลังปัญญาเพื่อตกแต่งร่างกายให้สวยงามชวนมองอยู่เสมอรวมทั้งประดิษฐ์คิดค้นแบบและสีของเสื้อผ้าแพรพันสรีราพรต่างชนิดเธอจะรู้สึกเศร้าและหงอยเหงาเปล่าเปลี่ยวเหลือหลายเมื่อประจักษ์ว่าในตาเธอไม่ได้หวานใบหน้าของเธอไม่ได้งามผุดผาดส่วทรงไม่ได้อรชรแต่เธอหาเฉลียวใจไม่ว่า ชายที่ปองหมายเธอจะเลี้ยงเธอเพราะเธอสวยนั้นเขาเลี้ยงเธอและปองหมายเธอเหมือนสัตว์เลี้ยงที่มีลักษณะต้องตาเขาเท่านั้นความดีหรือคุณธรรมภายในต่างหากเล่าที่เป็นสิ่งเชิดชูคุณค่าของเธอให้สูงเด่นโซเพนีแม้จะมีความสวยสักปานใดก็หามมีใครตั้งใจเลี้ยงจริงไม่ความสวยเหมือนดอกไม้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 จงแต่งเรือนกายแต่พอดูงามแล้วเอาเวลาที่เหลือมาแต่งเรือนใจกันบ้านเถิดบ้านเรือนที่ดูแต่ภายนอกสะอาดสวยงามน่าอาศัยแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปดูภายในมองเห็นแต่สิ่งโสโครกรุงรังจะน่าพักผ่อนนอนหลับได้ไหนตรงกันข้ามแม้จะมองดูภายนอกไม่สะดุดตาแต่ภายในสะอาดเรียบร้อย ย่อมเป็นเรือนที่น่าอยู่น่าอาศัยกว่าฉันใดเรือนกายกับเรือนใจก็ฉันนั้นบุรุษผู้ยอมปล่อยให้ความรักเข้าทางตาย่อมตาบอดและยังทำให้หูพลอยหนวกไปด้วยมองไม่เห็นเจตนาดีของเพื่อนสนิทไม่ได้ยินเสียงของมิตรสหายเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็มักจะมองเห็นเทพธิดาของเขาแปรรูปเป็นยักษ์ศีไปเสียแล้ว ส่วนสตรีที่ปล่อยให้ความรักเข้าทางหูหูของเธอกุ้นหนวกไปสิ้นสำหรับญาติและมิตรผู้หวังดีเธอได้ยินแต่เสียงพร่ำรำพันสัญญารักต่างๆแห่งชายที่ตนหลงเท่านั้นตาของเธอก็พลอยฟ้าฟางไปด้วยเธอหารู้ไม่ว่าผู้ที่มีความสุจริตใจน้อยมักจะมั่งคั่งร่ำรวยและมากไปด้วยคำหวาน แต่ผู้ที่พูดพอประมาณให้คำมั่นสัญญาแต่พอฟังนั่นต่างหากที่มีความสุจริตใจอยู่จริงๆธาตุคนเป็นธาตุที่แยกได้ยากวินิจฉัยได้ยากกว่าธาตุใดๆในโลกนี้มีคนอยู่เป็นจำนวนมากอยากจะเรียนรู้เรื่องชีวิตให้จบแต่เขาเหล่านั้นมักจะจบชีวิตไปก่อนเสมอชีวิตเป็นเรื่องยากและสับสน พระพุทธองค์จึงตรัสว่าชีวิตเป็นของยากผู้สามารถสร้างความยุ่งแห่งชีวิตให้เข้าระเบียบได้มีอยู่จํานวนน้อยกล่าวโดยเฉพาะชีวิตของมนุษย์ยิ่งยุ่งยากสับสนขึ้นทุกทีมนุษย์ยอมเป็นทาสของสังคมจนแทบจะกระดิกกระดี้ตัวมิได้เสียแล้วเมื่อยอมเป็นทาสของสังคมและสังคมนั้นมีแต่ความฟุง้งเป้อหรูหรา ความรูหราเหล่านั้นย่อมได้มาด้วยเงินเขาจึงต้องยอมเป็นทาสของเงินตราอีกด้วยเงินตรานั้นโดยธรรมดามันเป็นเหมือนทาสที่ทั้งซื่อและโง่แล้วแต่จะใช้ให้ทำอะไรมันทำทั้งนั้นใช้ให้ทำดีก็ทำใช้ให้ทำชั่วก็ทำจ้างไปฆ่าคนก็ไปโดยไม่มีการคัดค้านโต้แย้งใดๆเลย เมื่อเงินตรามันเป็นทาสที่ทั้งซื่อและโง่อยู่อย่างนี้ใครยอมให้ทาสคนนั้นมาเป็นนายยอมอยู่ใต้อำนาจของมันเขาจะโง่สักเพียงใด รตถาคตเจ้าเคยตรัสเรียกเงินตราว่าอสรพิษดังเรื่องต่อไปนี้ท้องฟ้าเริ่มสางแสงสีขาวสาดท่าเป็นแนวยาวทางบุรพทิตอากาศแรกกรุงอรุณเย็นยำ่ำพระพายรำเพยแผวหอบเอากลิ่นบุพชาติในเชตวนารามไปตามกระแสระ ร, รวยรื่น เสียงไก่ป่าขันอยู่เชื่อแยเ่เคล้ามากับสายลมมิเวกวังเวงน้ำค้างถูกสลัดลงจากใบไม้เมื่อพระพายพัดผ่านกระทบกับใบไม้เหลืองซึ่งล่นล่วงลงแล้วดังเปาะแปะเปาะแปะเชตวนารามเวลานี้ตื่นตัวแล้วอย่างสงบพระหนึ่งบรุษผู้มีกำลังตื่นแล้วจากนิทรารม แต่ยังนอนเฉย อ, อยู่ไม่ไหวกายพระมหาสมณะเอกอัครบุตรรัตนอุดมด้วยบุญญาธิการและมหากรุณาต่อสัมสัตประทับหลับพระเนตรนิ่งทรงขายคือพระญาณให้แผ่ไปทั่วจักรวาลโลกธาตุตรวจดูอุปนิสัยแห่งเวนยสัตอันพระองค์พอจะโปรดได้เช้า ว, วันนั้น ชาวนาผู้น่าสงสารได้เข้ามาสู่พระยานของพระองค์พออรุณเบิกฟ้าพระาศาสดามีพระพุทธอนุชาอานน์เป็นปัจฉาสมณะตามเสด็จออกจากเชตวนารามด้วยพุทธลีลาอันประเสริฐบ่ายพระพักสู่บริเวณนาของบุรุษผู้น่าสงสารนั้น อีกมุมหนึ่งกสิกรผู้ยากไร้ตื่นขึ้นแต่เช้าตรู่บริโภคอาหารซึ่งมีเพียงผักดองและข้าวแดงพอประทังผิวแล้วนำโคคู่ออกจากคอกแบกไถถือหม้อน้ำออกจากหมู่บ้านสู่บริเวณนาเช่นเดียวกันพระตถาคตเจ้าหยุดยืนณนะบริเวณใกล้ๆที่เขากำลังไถนาอยู่นั้น เขาเห็นพระศาสดาแล้วพักการไถ่ไว้มาถวายบังคมพระศาสดามิได้ตรัสอะไรกับเขาเลยกลับเหลียวพระพักไปอีกด้านหนึ่งทอดทัศนาการตรงดิ่งไปยังจุดจุดหนึ่งแล้วตรัสกับพระอานุนว่าอานุนเธอจงดูเถิดนั่นอสสรพิษเธอเห็นไหมเห็นพระเจ้าค่าพระอานุนทูลเพียงเท่านั้น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 คิดแล้วเขาก็นำประตักไปเพื่อตีงูแต่กลับมองเห็นถุงเงินเป็นจำนวนมากวางกองรวมกันอยู่เขาดีใจเหลือเกินยกมือขึ้นเหนือเสียน้อมนมัสการพระพุทธองค์ที่โปรดประธานขุมทรัพย์ให้นี่หรืออสรพิษเขาคิดอยู่ในใจพระพุทธองค์ตรัสเป็นปริศนาแบบสมมนณะเท่านั้นเอง ที่แท้พระองค์ทรงตั้งพระไทยสเสด็จมาโปรดเราแล้วเขาก็นำถุงเงินนั้นไปเอาฝุน่นกรบไว้แล้วไถนาต่อไปด้วยดวงใจเบิกบานพระสากยมุนีเมื่อคล้อยไปหน่อยหนึ่งแล้วถึงผินพระพักตรัสกับพระอนนท์ว่าอานนท์เราเรียกถุงเงินนั้นว่าอสรพิษวันนี้เองมันจะกัดบรุษผู้นั้นให้มีอาการสาหัสปางตาย ถ้าไม่ได้เราเป็นที่พึ่งเป็นพยานเขาจะต้องตายเป็นแน่แท้ตรัสอย่างนี้แล้วไม่ยอมตรัสอะไรต่อไปอีก